จเจริญพนท่านผู้มีจิตเมตตากรุณาใจบุญใจกุศลทุกๆ ท, ท่านวันนี้เป็นวันลังคาที่23มิถุนายนพุทธศักราชสองพันหเป็นวันพระวันธรรมบัษสวนะ วันฝันทำวันที่พวกเราจะมาปฏิบัติตามคําสอนของพระพุทธเจ้าที่สมสอนให้เรามีความภาคเปลี่ยนอุตสาหพยายามเพราะว่าความภาคเพี่ยนความพยายามอยู่ที่ไหนความสําเร็จอยู่ที่นั่นพระพุทธศาสนาสอนให้พวกเรา ได้หลุดพ้นจากกองทุกข์แห่งการเกิดแก่เจ็บตายถ้าพวกเราอยากจะหลุดพ้นจากกองทุกขเราก็ต้องมีความเพียรมีความพยายามเพราะการหลุดพ้นจากความทุก์นี้หลุดได้ด้วยการทำความเพียรเท่านั้นนั่นนี้คือหน้าที่ของพุทธศาสนิกชน มาสร้างมาเปลี่ยนพยายามสร้างบุญสร้างกุศลและบะล ะ, ละบาปกรรมต่างๆพระพุทธเจ้าทรงสอนให้เปลี่ยนอยู่สี่ประการด้วยกันคือหนึ่งให้เปลี่ยนสร้างบุญสร้างกุศลที่ยังไม่มีให้มีให้เกิดขึ้นสองให้เปลี่ยนรักษาบุญกุศลที่มีอยู่แล้ว ไม่ให้หดหายไปสให้ละบาปที่ยังละไม่ได้และสให้ป้องกันไม่ให้บาปที่ละได้แล้วหวนคืนกลับขึ้นมาใหม่ถ้าเราปฏิบัติได้ทั้งสี่ข้อนี้เราจะหลุดพ้นจากความทุกข์ได้อย่างแน่นอนเพราะพระพุทธเจ้าก็ทรงบำเพ็ญ ปฏิบัติมาแบบนี้พระพุทธเจ้าจึงได้หลุดพ้นจากกองทุกข์แห่งการเกิดแก่เจ็บตายถ้าพวกเราเชื่อพระพุทธเจ้าแล้วปฏิบัติตามที่พุทธเจ้าทรงสอนให้ปฏิบัติพวกเราก็จะได้รับผลเช่นเดียวกับที่พระพุทธเจ้าได้ทรงรับผลเพราะเหตุกับผลนี้ไม่ได้ขึ้นว่าจะต้องเป็นใคร ไม่ว่าจะเป็นพระพุทธเจ้าก็ดีเป็นพวกเราก็ดีถ้าเรามีเหตุผลมันก็จะต้องเกิดขึ้นเหมือนการปลูกต้นไม้ไม่สำคัญว่าใครปลูกใครปลูกต้นกล้วยเดี๋ยวต้นกล้วยมันก็จะต้องออกผลกล้วยออกมาปลูกข้าวมันก็จะต้องออกผลข้าวออกมาไม่ว่าใครปลูกก็จะได้ผลเหมือนกัน ชาวนาชาวไร่ในภาคกลางปลูกข้าวก็จะได้ข้าวชาวภาคใต้ปลูกข้าวก็จะได้ข้าวเหมือนกันแม้แต่ฝรั่งไปปลูกข้าวเขาก็ได้ข้าวเหมือนกันฉันใดการหลุดพ้นจากกองทุกข์ก็เช่นเดียวกันไม่ได้ขึ้นอยู่กับว่าใครเป็นคนปฏิบัติไม่ใช่ต้องเป็นพระอย่างเดียวต้องเป็นพระพุทธเจ้าอย่างเดียว ใครปฏิบัติก็ได้ผลเช่นเดียวกันเป็นพระปฏิบัติก็ได้ผลเป็นพระแต่ไม่ได้ปฏิบัติก็ไม่ได้ผลเป็นคารวะญาติโยมปฏิบัติก็ได้ผลถ้าไม่ปฏิบัติก็ไม่ได้ผลดังนั้นขอให้เราเข้าใจหลักนี้ไว้เราจะได้ไม่ต้องมาอ้างว่าเราเป็นคารวะญาติโยม เราเป็นผู้หญิงเราไม่ได้เป็นนักบวชเราปฏิบัติไม่ได้อันนี้เป็นข้ออ้างของกิเลสตัณหาที่จะผูกมัดให้เราติดอยู่กับการเกิดแก่เจ็บตายไปไเรื่อยเราต้องยึดพระพุทธเจ้าเป็นตัวอย่างต้องยึดพระอริยสงสาวกเป็นตัวอย่างพระอริยสงสาวกนี้มีทุกเพศทุกวยัย มีทั้งหญิงมีทั้งชายมีทั้งนับบวดมีทั้งครวาสมีทั้งชาวไทยชาวต่างประเทศไม่ได้ขึ้นอยู่กับชาติชั้นวรรณะมีทั้งคนรวยมีทั้งคนจนมีทั้งพระราชามหากษสัตรมีทั้งขอทานภาตกรก็ยังมีองคุริมาฆ่าคนมาถึง999คนพอได้พบโอษเจ้า ก็เชื่อพระพุทธเจ้าหยุดค่าหยุดการทำบาปก็บรรลุดุดพ้นจากกองทุกได้ดังนั้นไม่มีเหตุผลอะไรที่จะมาอ้างว่าพวกเราปฏิบัติไม่ได้ที่ปฏิบัติไม่ได้เพราะไม่อยากปฏิบัติที่ไม่อยากปฏิบัติเพราะไม่รู้คุณค่าของการปฏิบัติไม่รู้ว่าผลที่ได้รับจากการปฏิบัตินี้มันวิเศษยิ่งกว่า ได้เงินกองเท่าภูเขาเสียอีกเพราะอะไรเพราะเงินกองเท่าภูเขาจะไม่สามารถมาดับความทุกข์ภายในใจของเราได้ต่อให้เป็นมหาเศรษฐีอันดับหนึ่งของโลกก็ยังต้องมีความทุกข์อยู่ทุกข์กับความแก่ทุกข์กับความเจ็บไข้ได้ป่วยทุกข์กับความตายทุกข์กับการพัดพลาดจากสมบัติเข้าของต่างๆ แล้วก็ต้องมาทุกข์กับการมาเกิดใหม่มาแก่มาเจ็บมาตายใหม่การเป็นลาเศรษฐีไม่สามารถทําให้หลุดพ้นจากกองทุกข์ได้เช่นเดียวกับการเป็นประธานาธิบดีเป็นนายกรัฐมนตรีเป็นสอสอเป็ น, นรัฐมนตรีเป็นกำนันผู้ใหญ่บ้านเป็นนายอําเภอเป็นผู้ว่าราชการจังหวัด การเป็นสิ่งเหล่านี้ไม่สามารถทำให้หลุดพน้นจากกองทุกได้แม้แต่การเป็นพระเป็นเนมเป็นชีก็ไม่สามารถหลุดพน้นได้ถ้าไม่ปฏิบัติหน้าที่ของพระของเนมของชีก็มีหน้าที่ในการปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจา้าหน้าที่ของพุทธบริษัทเช่นอุบาสกอุบาสิกา ศรัทธาญาติโยมก็มีหน้าที่ที่จะปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้าเพราะว่าการปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้าจะนำมาซึ่งสิ่งที่พวกเราอยากได้กันพวกเราอยากได้อะไรอยากได้ความสุขกันพวกเราไม่ต้องการอะไรไม่ต้องการความทุกข์กันนี่แหละเป็นสิ่งที่เราจะได้นับถ้าเราปฏิบัติ ถ้าเราเชื่อพระพุทธเจ้าแล้วปฏิบัติตามที่พุทธเจ้าทรงสั่งสอนไว้สี่ข้อนี้ด้วยกันข้อที่หนึ่งให้สร้างบุญสร้างกุศลที่เรายังไม่มีให้เกิดขึ้นเช่นถ้าเราไม่เคยทาบุญเลยตอนนี้เราก็มาทำบุญกันถ้าเราทำบุญแล้วเราก็ทำให้มากขึ้นถ้าเราทำร้อยละสิ์ของเงินทองที่เรามีอยู่ เราก็เพิ่มเป็น100ร้อยได้ยี่สิบเพิ่มขึ้นไปเรื่อยจนร้อยเต็มร้อยทำให้มันเต็มร้อยไปเลยมีเท่าไหร่ทำให้หมดไปหมดแล้วจะได้ไปบวชได้จะได้ไปปฏิบัติได้เพราะถ้ายังไม่บวชยังต้องหาเงินหาทองยังต้องใช้เงินใช้ทองอยู่จะไม่มีเวลามาปฏิบัตินี่คือข้อที่หนึ่ง ให้เราสร้างบุญที่เรายังไม่มีให้เกิดขึ้นนอกจากการทำทานแล้วเราก็ต้องปฏิบัติธรรมต้องนั่งสมาธิต้องเดินจงกรมต้องฝึกฝนอบรมควบคุมจิตใจให้สงบไม่ให้ฟุ้งซ่านไม่ให้โลภไม่ให้โกรธไม่ให้หลงไม่ให้อยากให้สร้างปัญญาความฉลาด ให้รู้ว่าสิ่งต่างๆที่เราโลภเราอยากได้นี้มันเป็นความทุกข์ไม่ใช่เป็นความสุขได้อะไรมาแล้วจะต้องทุกข์กับสิ่งนั้นทันทีเพราะอะไรเพราะสิ่งที่ได้มาไม่ช้าก็เลยวจะต้องมีการจากกันไปพอได้อะไรมาเราดีอกดีใจพอเสียไปก็เสียอกเสียใจ แล้วในที่สุดชีวิตของเราก็ต้องหมดไปเราหาอะไรมาแทบเป็นแทบตายก็จะกลายเป็นของคนอื่นไปหมดนี่คือสิ่งที่เราต้องคำนึง <c oughs> ต้องคิดอยู่เรื่อยๆเพื่อที่เราจะได้ไม่ขวนขวายหาเงินหาทองมากจนเกินไปการหาเงินหาทองนี้ มีเป้าหมายอยู่ที่การเลี้ยงปากเลี้ยงท้องเท่านั้นเองหาเงินหาทองมาเพื่อจะได้มีบ้านอยู่มีเสื้อผ้าใส่มียารักษาโรคมีอาหารไว้รับประทานถ้าได้สิ่งเหล่า น, นี้แล้วก็ควรที่จะหยุดอย่าหามากเกินไปเพราะหามากมาก็จะต้องมาทุกข์ทุกข์กับการหา แล้วก็ต้องทุกขกับการสูญเสียแล้วก็จะไม่มีเวลามาปฏิบัติธรรมนะเพราะว่าการทำบุญนี้ไม่ได้อยู่ที่การให้ทานเพียงอย่างเดียวให้ทานแล้วก็ต้องมาภาวนามาทำใจให้สงบนะทำใจให้สงบต้องมาอยู่วัดหรือไปอยู่ที่เงียบห่างไกลจากแสงสีเสียงต่างๆถ้าอยู่ใกล้ ที่มีแสงมีสีมีเสียงจะรบกวนใจจะไม่สามารถทำใจให้สงบได้นี่คือข้อที่หนึ่งให้สร้างบุญสร้างกุศลที่เรายังไม่มีให้เกิดขึ้นมาข้อที่สองให้เรารักษาบุญกุศลที่เราได้สร้างไว้แล้วให้คงอยู่ต่อไปเช่นเราเคยทำทานมากน้อยเพียงไร ก็ขอให้ทำต่อไปอย่าหยุดนอกจากไม่มีเงินทองเท่านั้นถึงจะหยุดได้ถ้ามีเงินทองเหลือกินเหลือใช้แทนที่จะเอาไปซื้อของฟุง่มเฟือยไปเที่ยวไปเล่นเอามาทำทานจะดีกว่าเพราะการไปเที่ยวไปเล่นนี้จะทำให้ติดเป็นเหมือนติดยาเสพติด พอได้เที่ยวได้เล่นแล้วก็อยากจะเที่ยวอยากจะเล่นไปเรื่อยๆก็ต้องดินหาเงินหาทองเพื่อมาเที่ยวมาเล่นอยู่เรื่อยๆถ้าเอาเงินทองที่เราจะไปเที่ยวไปเล่นไปซื้อของฟุง่มเฟือยนี้มาทำทานใจของเราก็จะเบื่อกับการเที่ยวกับการเล่นเราก็จะไม่ต้องหาเงินมาเที่ยวมาเล่นกัน เงินที่เราหามาหามาเพื่อเลี้ยงป่ากเลี้ยงท้องถ้ามีเหลือเกินความต้องการก็เอาไปทาบุญแล้วเราจะมีความสุขใจความสบายใจจะอยู่บ้านเฉยๆได้อยู่เป็นสุขถ้าเราเที่ยวเราเล่นเราจะอยู่บ้านไม่ได้เพราะมันติดเป็นนิสัยไปเป็นเหมือนติดยาเสพติดก็ต้องเที่ยวต้องเล่นไปเรื่อยๆ เงินหมดก็ต้องไปหาเงินหาทองมาอยู่เรื่อยๆหามาเท่าไหร่ก็ไม่พอชาตินี้ก็เลยไม่ได้มาทำตามที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนให้ทำไม่ได้มารักษาบุญกุศลที่เราได้มีแล้วนั้นไม่ให้หายไปนี่คือเราทำบุญทำทานอยู่เท่าไหร่ก็ต้องอย่างน้อยต้องทำต่อไป ต้องไม่ให้น้อยกว่าที่เราทำอยู่แต่ถ้าทำมากกว่าได้ก็ดีแต่อย่างน้อยก็อย่าให้มันน้อยกว่าที่เราเคยทำอยู่เคยนั่งสมาธิได้ก็ต้องนั่งต่อไปเคยเดินจนกลมได้ก็ต้องเดินต่อไปเคยปรองอ น, นิจจมทุกขังอนัตตาได้ก็ปรองต่อไปนี่คือการรักษาบุญกุศล ที่เรามีอยู่ให้มีไว้ต่อไปหน้าข้อที่สามให้เราละบาปที่เราเรายังละไม่ได้เช่นเราตอนนี้รักษาศีลได้กี่ข้อละบาปละการฆ่าสัตว์ตัดชีวิตได้หรื อ, อยังละการลักทรัพย์ได้หรื อ, อยังละการประพฤติผิดตัวเองนี้ได้หรื อ, อยังละการพูดปลด โกหกหลอกลวงได้หรื อ, อยังละการดื่มสุรายาเมาได้หรื อ, อยังสิ่งเหล่านี้ถ้าเรายังทำอยู่เราต้องมาพยายามละให้ได้นี่คือละการกระทาบาปเพราะการกระทาบาปนี้เป็นอันตรายต่อจิตใจจะสร้างความทุกข์ให้กับจิตใจถ้าไม่อยากจะมีความทุกข์อย่าทำบาป ถ้าเรามีแล้วมีศีลห้าแล้วเราก็มารักษาศีลแปด ก, กันเพิ่มขึ้นถ้ารักษาศีลห้าได้ในวันพระอย่างวันนี้เรามารักษาเพิ่มอีกสามข้อคือไม่รับประทานอาหารหลังจากเที่ยงวันไปแล้วไม่หาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายเช่นไปดูไปฟังไปเที่ยวไปดื่มไปรับประทาน จะมาอยู่วัดมาฝึกนั่งสมาธิทาใจให้สงบเพราะความสุขที่ได้จากความสงบนี้เป็นความสุขที่ดีกว่าเป็นความสุขที่ไม่มีโทษไม่มีภัยไม่เหมือนกับความสุขที่ได้จากการเที่ยวจากการดูจากการฟังจากการดื่มจากการรับประทานเพราะมันจะทำให้ติดนั่นเองเวลาไม่ได้เที่ยวก็จะทุก เวลาไม่ได้ดูไม่ได้ฟังก็จะทุกข์แต่ความสุขที่ได้จากการทำใจให้สงบนี้จะไม่มีความทุกข์ตามมาและเป็นความสุขที่มีน้ำหนักมากกว่าความสุขที่ได้จากการไปเที่ยวไปเล่นนี่คือสิ่งที่เราควรจะทำถ้าเรายังทำไม่ได้ถ้ายังละบาปข้อไหนไม่ได้ก็ให้ละเสีย แล้วต่อไปเราจะไม่มีความทุกข์ความวุ่นวายใจต่างๆและข้อที่สี่ท่านบอกว่าให้ป้องกันบาปที่เราละได้แล้วอย่าให้กลับคืนมาอีกถ้าเราถือศีลห้าได้แล้วก็อย่าให้กลับไปทําบาปอีกให้รักษาศีลห้าต่อไปถ้ารักษาศีลแปดได้ก็ให้รักษาต่อไป ถ้ารักษาศีลสีิบเจข้อได้ก็ให้รักษาต่อไปอย่าสึกอย่าสึกมารักษาศีลแปพวกที่รักษาศีลแปดได้ก็อย่าเปลี่ยนมารักษาศีลห้าพวกที่รักษาศีลห้าได้ก็อย่าเปลี่ยนมาไม่รักษาศีลเลยให้รักษาเอาไว้เพราะศีล น, นี้มีคุณค่ายิ่งกว่าเงินทองกองเท่าภูเขาเพราะ เงินทองนี้ไม่สามารถส่งให้เราไปสวรรค์ได้ไม่สามารถปิดประตูอบายได้แต่ศีลนี้สามารถปิดประตูอบายได้ถ้าเรารักษาศีลห้าได้ตายไปเราไม่ต้องไปเกิดในอบายไม่ต้องไปเป็นเดรัจฉานไม่ต้องไปเป็นเปรตไม่ต้องไปเป็นผีไม่ต้องไปตกนรกตายไปก็ไปเป็นสวรรค์ไปเป็นเทพไปเป็นพร ไปเป็นพระอาริยเจ้านี่คือหน้าที่ของศีลห้าถ้าเรารักษาได้พบชาติของเราจะดีขึ้นไปเรื่อยๆจะไม่มีวันตกต่ำนี่คือความเพียรสี่ประการด้วยกันที่พระพุทธเจ้าทรงสอนให้พวกเรามาสร้างกันมาเพียรกันเพราะไม่มีใครทำให้พวกเราได้เราต้องทำเอง เหมือนกับการรับประทานอาหารคนอื่นรับประทานให้เราไม่ได้เราต้องรับประทานเองการปฏิบัติธรรมก็เป็นเหมือนกับการให้อาหารแก่จิตใจของเรานี่เองอาหารที่จะทำให้จิตใจของเรามีความนุ่มเย็นเป็นสุดปราศจากความทุกข์ต่างๆจึงขอให้พวกเราปยญยาเพียรกันอยู่เรื่อยๆให้นึกถึงคำพูดที่ทรงตัดสอนไว้ว่า หลุดพน้นจากกองทุกได้ด้วยความเพียรความพยายามอยู่ที่ไหนความสำเร็จอยู่ที่นั่นการสแสดงก็เทิดว่าพอสมควรแก่เวลาจึงขอยุติไว้เพียงเท่านี้ขอคุณพระศีรัะธนทรัยและบุญกุศลที่ท่านได้มาบำเพ็ญกันในวันนี้จงเป็นเหตุเป็นปัจจัย ให้ท่านมีแต่ความสุขและความเจริญด้วยอายุวันณสุขาภาละโดยทั่วหน้ากันเธอ